4.4 การมีสติช่วยเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้วงเล็บเปิด24มีนาคม2551ในวงเล็บสองจุดจุดนาที46วงเล็บปิดลูกศิษย์วันนี้นะไม่รู้เป็นอะไรชอบลดความรดหงายแต่แปลกนะไม่ตายสักคนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราสติดีสติเนี่ยนะเป็นองค์ธรรมฝ่ายกุศล เกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลทุกๆดวงในขณะที่ขับขันจวนตัวจริงๆนะสติมันเกิดมันไม่ตก อ, อกตกใจหลับหูหลับตาเหยียบคันเร่งมากกว่าเก่าอะไรอย่างนี้นะไม่มีหรอกรู้ตัวตลอดเลยการที่เรามีสติเนี่ยมันช่วยเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ขนาดให้เกิดเรื่องฉุกเฉินนะจะไม่ตกใจสักนิดเลยพอเกิดแล้วถึงจะมาคิดซ้ำแล้วค่อยตกใจเป็นอย่างนั้นแหละเห็นไหมธรรมะคุ้มครองนะนี่แหละธรรมะคุ้มครองเราแหละ หลายคนเลยเวลาที่ชีวิตมีปัญหาขึ้นมาธรรมะครุ้มครองนะบางคนกลุ้มใจทับตายแล้วเนี่ยฉุกเฉินจริงๆนะธรรมะช่วยต้องฝึกเอาไว้